กรรมาฐานหลายอย่างสุ ข, ขุมละเอียดเป็นอารมณ์ลึกซึ้งไม่มีวัตถุสำหรับเพ่งหรือสัมผัสด้วยกายได้จึงไม่ชัดพอจิตไม่สามารถแอบแนบติดสนิทอยู่ได้นานจึงไม่มีปฏิภาคนิมิตได้ให้ผลสำเร็จได้เพียงแค่อุปจาระสมาธิส่วนกรรมาฐานที่เป็นอารมณ์หยาบเพ่งดูหรือสัมผัสด้วยกายได้กำหนดได้ชัดเจนจิตแนบสนิท ต, ตั้งอยู่ได้นาน